ขนอบน้อมต่อคุณพระนรนัตไทข้าราการหลวงพะกลมอาจารย์นรงวิทย์อาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสัรยมิกทุกท่านเาจาริญธรรมแมชีและยาติธรรมทุกท่านในหลักพุทธศาสนานี้นะมีคำสอนมากมายอาจากล่าวได้ว่าถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะ การที่มีคําสอนมากมายนี้ก็จะทําให้บรรทัณจับหลักไม่ได้ว่าจริงๆแล้วนมีหลักอย่างไรหรือว่ามีสาระที่เป็นประโยชน์มีความสําคัญอยู่ตรงไหนก็เลยทําให้เราอาจจะทําให้ล่าช้าไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมในหลักุศานี้สามารถสรุปได้เป็นสองประการที่สําคัญก็คือ ประการแรกคือให้รู้จักทุกประการที่สองก็ให้ทําให้ถึงซึ่งความดับทุกนี่คือสาระสาคัญทั้งหมดในพุทธศาสนาก็มีอยู่เท่านี้เท่านั้นเองนะการรู้จักทุกนั่นก็คือให้รู้จักว่าทุกเกิดขึ้นที่ใดนะก็คือที่กายและที่ใจของเรานั่นเองทุกที่กายนะก็เช่นนะความแก่ความเจ็บความตายนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็หนีไม่พ้น นะแล้วก็ทุกต่างๆที่จรมานะเช่นความหิวนะความเหนื่อยความง่วงความปวดเมื่อยนะปวดหัวตัวร้อนนะอาการร้อนอาการหนาวต่างๆเราเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ <c oughs> จรมานะแต่ความทุกข์ในทางกายนี้เราไม่อาจจะที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดนะอย่างเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ยเราหนีไม่พ้นนะหรือ อย่างที่ว่าความหิวความปวดความเมื่อยความง่วงต่างๆเหล่านี้เราก็แค่บรรเทาเท่านั้นเองนะจะให้เขาดับทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นสภาพที่สังขารก็เป็นช่นั้นของเขาเองอความหิวเราก็ต้องมีอยู่แล้วนะก็รับประทานเดี๋ยวก็หายหิวเดี๋ยวก็หิวต่อน ะ, อะง่วงเราก็นอนหลับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาสักพักนึ่งเราก็ต้องกลับไปนอนอีกมันก็คือร่างกายเขาต้องการช่นนั้นของเขาเอง เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้นะเพียงแต่บรรเทาเพราะนั้นความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้นะส่ว น, builders, วนอีกอย่างนึงคือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนี่เป็นส claro. ิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ดับได้อย่างเด็ดขาดนะพุทธศาสนานี้จะเน้นในความทุกข์ทางใจนี้เท่านั้นนะคือการดับความทุกข์ทางใจนี่แหละทพความทุกข์ทางใจนี่เราสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาด แล้วก็ไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปนะอย่างเช่นพระลรหันเนี่ยท่านก็สามารถดับความทุกข์ทางใจของท่านได้เด็ดขาดแล้วนะส่วนความทุกข์ทางกายท่านก็มีเหมือนกับคนทั่ ว, วไปนั่นแหละเพราะนั้นการที่เรามาศึกษาปริวัติธรรมนี้นะก็ลองจับประเด็นให้ได้ว่าเราเป็นการที่จะดับความทุกข์ทางใจให้ได้นะจะเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดก็อยู่ตัวเรานะว่าเราจะเข้าใจในการที่ดับทุกข์ทางใจไหมนะ ครั้นี้ความทุกข์ทางใจเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสมุธฐานของกิเลสหรือรากเหง้าของกิเลสเนี่ยสามประการอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆในสามประการนี้ก็คือ ค, ความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนะความโลภและราคะนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันราคะราคะก็คือ คือความที่เราติดใจ <c oughs> ยินดีชอบใจอยากได้นะคืออารมณ์ที่เป็นความยินดีทั้งหลายนะยังที่ว่าเรียกว่ายินดีนะความชอบชอบใจความอยากความติดใจนะต่างๆอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าใหญ่ในความยินดีนะโทสะก็คือในกลุ่มความยินร้ายทั้งหมดนะคือปฏิฆะ ความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความขัดเคืองความอิจฉาความกลัวความเกลียดความเหงาความเครียดทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกลุ่มความยินรลท์ทั้งหมดนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโมหะโมหะนี่เป็นหัวหน้าใหญ่นะเมื่อเกิดโมหะแล้วก็จะเกิดอราคะเกิดโทสะตามมาโมหะก็คือการที่เราไม่รู้ความจริงที่เป็นไปในขณะปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไร นะเช่นไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะไม่รู้ว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนนะไม่รู้ว่าจิตใจหลงไปนะมีความนึกคิดนะคิดไปก็ไม่รู้นะก็คือไม่รู้ทันปัจจุบันของกายและใจนั่นเองนะเมื่อไม่รู้ทันก็เกิดการหลงเข้าไปในลมต่างๆที่เกิดขึ้นมานะเพราะนั้นก็เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละที่เราอาจจะต้องมาจัดการกับเขา อันนี้คือลากเง้าของความทุกข์ทางใจทั้งหมดก็คือความยินดีความยินร้ายหรือความไม่รู้นี่แหละอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่านี่คือกิเลสในใจของเราซึ่งจะแสดงมาในลมต่างๆให้เราได้เห็นในแต่ละวันเช่นความรักความชังความโกรธความเกลียดความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวความบิจฉาความหึงหวงต่างๆเยอะแยะนะ นี่คืออารมณ์ที่แสดงออกมาจากรากเง่าคือกิเลสในใจของเรานะคราวนี้เราจะทําอย่างไรนะกับกิเลสต่างๆเหล่านี้นะหรืออารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะเราจะไปตั้งใจละกิเลสเนี่ยไม่ได้นะหรือจะไปตั้งใจที่จะละอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่เป็นประจำนะเขาไม่ได้อยู่ในใจของเราตลอดเวลานะอย่างเช่นเราตั้งใจที่จะละความโกรธ ในขณะนี้เราก็ละไม่ได้นะเพราะความโกรธก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเราจะไปละอะไรนะหน้าที่เราก็คือเราเพียงแค่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราเท่านั้นเองนะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันได้เร็วไหมนะรู้ทันแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปเนะี่ยอันนี้ก็คือขนทางการละกิเลสที่แท้จริงนะนะเพราะว่าลมต่างๆเหล่านี้เขามาชั่วคราวแล้วเขาก็ไป ในการที่เขามาเนี่ยเรารู้ทันเขาไหมนะถ้าเรารู้ไม่ทันเป็นอย่างไรเขาก็อยู่ในใจของเรานในใ้นานนะก็ทําให้เราทุกข์นานนะแต่เขาเขามาถ้าเรารู้ทันเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่นานหรอกนะการรู้ทันก็อาศัยแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปผักใส่เขาไม่ต้องไปไล่ส่งนะไม่ต้องไปขับดันทั้งหมดเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยเขาก็ไปของของเขาแล้วนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะรู้ทัน คี้ประเด็นการรู้ทันเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะวิธีการอาจจะเลิอสติเนะีเป็นวิธีการที่เราจะรู้ทันอารามณ์ต่างๆนี้ได้ง่ายและเร็วที่สุดนะเพราะว่าเป็นวิธีการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันนะการที่เราอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือรู้ไปตามแต่ละขณะแต่ละขณะในปัจจุบันนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจุบั น, นธรรมนะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วนะ สิ่งที่เข้ามา เ, เราก็จะรู้ทันทีเพราะมันจะไหลเข้าไปในอดีตบ้างอะไรเป็นอนาคตบ้างนะหรือเป็นความที่เรียกว่าแปลกปลอม <c oughs> เข้ามาในสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะหรือเรียกว่าหลุดจากความเป็นปกติไปนะหลุดจากความเป็นปกติก็คือหลุดเข้าไป <c oughs> ยินดีเนี่ยเราก็รู้ทันยินไลน์เราก็รู้ทันเนะพราะขณะนี้จ <c oughs> ินเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองอยู่กับ ความเป็นปกตินั่นเองนะเพราะนั้นการที่เรามาฝึกให้อยู่กับปัจจุบันนี้นะก็เป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์คือความยินดียินร้ายหรือรู้เท่าทันราคะโทสะโมหะนั่นเองนะตรงนี้จึงว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับปัจจุบันนะการที่อยู่กับปัจจุบันนี้ก็มีหลายวิธีการนะเช่นอยู่กับอาณาปัญสติบ้างรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก รู้ตามธรรมชาติอย่าไปบังคับเขาอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะถ้าตั้งใจมากจิตก็จะเกิดการตึงขึ้นมานะเมื่อเกิดการตึงก็จะเกิดความเครียดนะเกิดการมึนหัวนะเพราะว่าเราตั้งใจมากเกินไปนะเพราะนั้นการรู้ลมหายใจก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจิตจะต้องมีความละเอียดพอนะที่จะไม่ไปจ้องไปเพ่งเขาไม่ไปตั้งใจเขามากเกินไปนะแต่รู้ไปตามความจริงของธรรมชาติของของลมหายใจ นะลมหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เนี่ยรู้ไปตามธรรมชาติเขาไม่ไปบังคับเขานะผู้ใดที่ทําในสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเราไม่อาจจะทําในสิ่งเหล่านี้ได้เราจะทําอย่างไรนั้นะในการที่จะอยู่กับปัจจุบันนะก็คื อ, อมีวิธีการที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมาว่าก็ให้เรารู้ในบททั้งสี่นะคือการยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ เราเด่นเรายืนรู้ไหมว่าเรายืนเราเดินรู้ไหมว่าเราเดินเรานั่งรู้ไหมว่าเรานั่งเรานอนรู้ไหมว่าเรานอนนะครั้งหนึ่งก็มีพราหมณ์นะก็เคยถามพระเจ้าบอกว่าพระพระองค์มีกายปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้บรรลุโลกุตละธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเราเดินเรานั่งในเรานอนนะพราหมณ์ก็หัวเราะเยาะบอกว่า ชาวบ้านเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันเขายืนเดินนั่งนอนเหมือนกันนะพระเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันอนะตถาคตนะยืนก็รู้ว่ายืนนะเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนะอันนี้ก็เป็นอาการต่างกันนะในสุดพาหณ์ก็ยอมรับความจริงตรงนี้ว่าเออมันก็ถูกต้องเนาะเราต้องรู้ในการที่เรายืนเดินนั่งนอนนะนะต่อมาพระเจ้าก็บอกอีกว่าเออ ในอีบทย่อยต่างๆนะะเช่นคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดก้มเงยเหลี้ยวซ้ายแลขวาเดินก้าวหน้าเดินถอยหลังนะแม้แต่วิจระปัสวะเนี่ยก็ให้รู้เท่าทันในบทย่อยต่างๆเหล่านีนะ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามีเป็นหลักในการที่ว่าให้เรารู้เท่าทันในบ ท, ทต่างๆก็คือบทใหญ่นะยืนเดินนัง่งนอนและบทย่อยต่างๆในการกระทํำ อาชีพประจำบัตรของเราตลอดเวลานะปัจจุบันไงบางทีใน <c oughs> ปัจจุบันก็เช่นนะเราแปลงฟันเรารู้ไหมนะเราทานอาหารเรารู้ไหมนะบางคนทานอาหารก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้กําลังทานก็เพลิดเพลินไปในอาหารเหล่านั้นนะรู้ไม่ทันว่าขณะนี้กําลังรับประทานนะมีความยินดีร้ายก็รู้ไม่เท่าทานันนะเรากวาดบ้านเราซักผ้าเราก็รู้ไม่เท่าทานันนี่แหละก็เป็นสิ่งว่าพระเจ้าให้เรารู้เท่าทันในบทใหญ่เลยบทย่อยทั้งหลายนะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าเลื่อนลอยนะแต่มีกล่าวอยู่ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นนะให้เรารู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดนะปัจจุบันธรรมขึ้นมานะไปบรรธรรมก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะก็คือเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวเนีเราสามารถรู้เท่าทันไหมนะเช่นเราอย่างที่ว่าเรารับประทานอาหารนี่เรารู้ไมว่าขนาดหรือกำลังรับประทานอาหาร ตักอาหารเคี่ยวอาหารเรารู้ทันไหมเมื่อ e <ia> มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วเรารู้เท่าทันขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละก็คือความรู้สึกตัวแล้วนะความรู oh ้สึกตัวนี่แหละคือปัจจ no e ุบันธรรมเพราะงั้นการที่เรามาฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็คือปัจจุบันธรรมนะแต่คำว่าปัจจุบันธรรมเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองนะเราก็ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันอีกนั่นแหละเมื่อเพียงแต่ตั้งสมุติฐานขึ้นมาว่านี่คือปัจจุบันนะก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะ ความรู้ตัวนี้ก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้เท่าทันอากายที่เคลื่อนไหวเป็นาการต่างๆนะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนี้แล้ว <c oughs> อยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอุบายง่ายๆนะให้เรากลับมารู้สึกตัวแล้วเนี่ยจิตที่ไหลไป น, นึกคิดนี่เราจะรู้ทันทีเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหลุดจากความรู้สึกตัวหรือหลุดจากปัจจุบันนะหรือหยุดหลุดจากความเป็นปกติในขณะนั้นนั่นเองนะ เพเมื่อไหลอไปปั๊บเนี่ยมีความยินดียินไล่นะต่างๆเหล่านี้เราก็รู้เท่าทันได้เร็วขึ้นนะเพราะเราสามารถอยู่กับปัจจุบันซึ่งเปรียบง่ายๆว่าเป็นวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจนะเครื่องอยู่ของจิตใจนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเหมือนกระ บ, บัวนะบัวถ้าเราไม่ได้ผูกเชือกลวปล่อยให้เขาไปตามทุ่งนานะเราก็หาตัวเขายากนะเขา ก, ก็จะ เดินทางไปเรื่อยๆไปเสาะแสวงหาอาหารกินก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีเชือกผูกไว้หน่อยนึงนะเขาก็ไปไม่ไกลก็ไปแถวๆอยู่ที่บริเวณเชือกนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมได้นะให้เขามีที่อาศัยเ <นะ S 2> พราะนั้นการเจริญสติต่างๆก็เหมือนกันนะก็คืออาศัยวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างเช่นลมหายใจก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะหรือว่าการเคลื่อนไหว การยืนเดินนั่งนอนนะอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะแต่การที่เราเคลื่อนไหวในอิริบทบางอย่างมันก็สามารถที่จะสิ้นสุดได้นะเช่นเรากวาดบ้านเนี่ยเราก็รู้เท่าทันไปได้แต่ในในสุดเขาก็หยุดไปนะเราก็ไม่รู้อะไรต่อนะซักผ้าเราก็เป็นการเครื่องอยู่ได้นะแต่ว่าเขาสักพักหนึ่งเขาก็หยุดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อนะพจนวิธีการในหลวงพระเทียนก็เลยคิดนะวิธีการสิีจังหวะขึ้นมานะเพื่อให้เราเป็นบิหะรธรรม เป็นเครื่องอยู่ซึ่งสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องกันนะเพราะการที่เราจะเอาฝึกเจริญสตินี้นะประเด็นสำคัญก็คือเราต้องทําให้ต่อเนื่องด้วยนะมีความต่อเนื่องกันไปสักระยะหนึ่งนะพอทำต่อเนื่องกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะเริ่มเข้าใจได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นนะความรู้สึกตัวเราก็จะชัดเจนได้มากขึ้นนะแล้วในขณะนั้นเราก็สามารถที่จะกลับไปสังเกตความคิดได้นะ ก็ต้องใช้คำมาสังเกตนะเราก็ไม่ไปตั้งใจดูความคิดนะเพราะวิธีการนี้โดยวิธีนี้ใหม่ๆนะเราจะไปตั้งใจดูความคิดไม่ได้นะเราอาศัยการรู้สึกตัวในฐานกายไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆสังเกตนะความคิดได้ได้ไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกนะวิธีการขึ้นไวสืิสือย่างหว่านนี้นะ ไม่ได้ทําประเด็นสําคัญก็คือไม่ได้ทําให้จิตเราสงบนะอันนี้ต้องตั้งประเด็นให้ถูกนะเพราะถ้าบางคนไปตั้งว่าเราทําแล้วให้จิตสงบนี่เราก็ผิดตั้งแต่ ต, น แ, ตนแล้วนะแต่เป็นการเรียกว่าปลุกธานรู้ให้ตื่นขึ้นมานะเพราะการการที่เรามาเจริญสตินี้ประเด็นสําคัญก็คือเพื่อที่จะปลุกธานรู้นั่นเองนะให้เขาตื่นขึ้นมาเพราะจริงๆเราธานรู้เนี่ยเรามีอยู่อยู่ทุกคนอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยตัวนี้เราปกติล้วก็มีอยู่แล้วนะเรา เช่นเราขับรถไปไหนมาไหนนะเราก็ต้องมีสติที่ดีนะหรือเวลาเราข้ามถนนเราก็ต้องมีสติที่ดีนะหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องมีสติว่องไวนะอันนี้ก็คือเขามีขังเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางขณะเนี่ย <S <S เขาออกมาทํางานไม่ทันอ่าเช่นมีใครเข้ามาดา่าเราปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ไม่ทันเราก็โกรธเขาอ่านะหรือว่าด่าพวกกลับไปเลยน ะ, <S <S น ะ, ะหรือมีใครมาชมเราเราก็ยินดีอ่านะเพลิดเพลินไปในลมเหล่านั้นนะ อันนี้เขเรียกว่าเรามรู้ไม่ทันนะแต่เมื่อเราปลูกทารุว์ให้ตื่นขึ้นมาให้ก็ไวขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมีใครมาด่าเรานะเราจะสังเกตอารมณ์ต่างๆเราได้เร็วขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่เราเป็นคนโกรธง่ายเราก็เริ่มสังเกตแล้วออขณะนี้เรากําลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเรายกตัวอย่างเช่นความโกรธนี่ก็คือเป็นเลขห้านะก่อนจะถึงเลข5ก็ต้องผ่านเลขหนึ่งสอก่อ น, นก็คือเมื่อก่อนจะถึงความโกรธก็เรามีความหงุนงิดความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นก่อน เนี่ยตรงนี้เรารู้เท่าทันไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันนะเลขหนึ่งสองสามสี่ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์เล็กๆ น, น้อยๆความหงุดหงิดก่อนนะเราก็ไม่เข้าถึงความโกรธหรอกเนะพราะความโกรธนี่ก็เหมือนกับเป็นไฟกองใหญ่นะมันจะดับยากเนะช่นไฟป่านะแต่ถ้าเป็นไฟกองเล็กๆเช่นเทียนหรือไม่ขีดไฟก็ดับง่ายนิดเดียวเนะพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเล็กๆเนี่ยความหงุดหงิดเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้ทันเราก็ดับเขาได้เร็วนะเขาก็ไม่เข้าถึงความโกรธ เพระเาะนั้นทุกๆอารมณ์ก็คือเลข5้าทั้งหมดนะส่วนการเจริญสตินี้จิตจะว่องไวนะจิตจะตื่นขึ้นมาก็จะเห็นเลข1เลขสองทุกๆอารมณ์นะเมื่อเราเห็นแล้วนะเราทําอย่างไรเราก็มีหน้าที่แค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้เฉยๆก็คือไม่ไปผักใส่เขาว่าอารมณ์ต่างๆเราที่ต้องหมดไปนะต้องดับไปอย่างรวดเร็วนะนั้นไม่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราอยากให้เขาดับไปนั่นคือความโลภนั่นคือราคะแล้วนะ ความโลภหรือตัณหานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นอกุศลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วเป็นอกุศลนะแต่เริ่มมีความโลภหรือตัณหาอยาเขาดับอันนี้ก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเพราะนั้นอกุศลจะไปละอกุศลนี่ไม่ได้นะอากุศลจะต้องละด้วยกุศลเท่านั้นเองนะก็คือการรู้เฉยๆนี่แหละมาเป็นกุศลและจิตนะก็จะไปดับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยจะเกิดดับแต่ละครั้งนะแต่ละดวงเท่านั้นเองนะ ในขณะที่จิตอกุศลเกิดขึ้นนะเมื่อจิตกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตอกุศลก็ดับไปนะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นได้แต่ละดวงเท่านั้นนะอันนี้คือหลักการาง่ายๆวิธีการก็คือการจะดับอกุศลก็คือเรารู้ Pine เฉ ย, ยก็พอแล้วนะไม่ต้องไปอยากใครเขาดับนะแล้วก็ไม่ต้องไปติดเขาด้วยนะติดเขาก็เป็นอกุศลเด็ ãy. ติดเขาก็คือเป็นราค้าอีกเหมือนกันนะเขาก็ไม่ดับนะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลจริงๆในขณะปัจจุบันนั้นในขณะที่เกิดลมนั้นก็คือ าการรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆนี่คือกุศลและจิตก็จะไปดับได้หมดเลยทั้งราคะาคือความความที่เราอยากให้เขาดับไปหรือยินดีในอารมณ์เหล่านั้นนะแล้วก็โทสะอ่าก็คือการที่เราไปผลักใส่เขาด้วยความไม่พอใจในอารมณ์เหล่านั้นนะก็คือความรู้เฉยๆนี่ก็สามารถดับได้ทั้งราคะคือความยินดีและดับได้ทั้งโทสะคือความยินร้ายนั่นเองนะเนี่ยเพราะนั้นในวิธีการที่เรามาปฏิบัตินั้น เราไม่ได้เอาความสงบเป็นที่ตั้งแต่เอาความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้ง <c oughs> เพราะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วนะจิตก็จะตื่นขึ้นมาได้เองนะมันสามารถที่จะสังเกตอาการต่างๆได้หมดนะการขึ้นไหวก็สังเกตได้จิตใจก็สังเกตได้นะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าเราสามารถเห็นได้ท้งภายในนะก็คือจิตใจของเราและเห็นภายนอกได้ด้วยนะ สมัยหนึ่งหลวงพ่อคาเขียนก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามไนท่านก็อยู่ในห้องหลวงพ่อเทียนก็เดินมา <c oughs> เดินมาสอบถามหรือเรียกว่ามาสอบอรมอก็มาถามตอนนั้นก็ปิดประตูอยู่หลวงพ่อเทียนก็ถามตอนนั้นหลวงพ่อคาเขียนอยู่ในห้องก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับหลวงพ่อเทียนก็มาเปิดประตูออมาแล้วก็ให้หลวงพ่อคำเขียนมายืนบริเวณเท้าหน้าประตูแล้วก็ถามว่า เห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับหลวงพ่อเทพบ่ำว่าเออนี่แหละถูกแล้วนะแล้วก็เดินจากไปนะอันนี้ก็คื อ, อเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ว่าให้เรากลับมาเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็คือให้เราเห็นทั้งภายนอกและภายในนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรา <c oughs> ไปบัดให้จิตสงบหรือเรานั่งหลับตานี่เราก็อาจจะรู้ไม่เท่าทัน <c oughs> อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะ เพราะการที่เราให้จิตสงบนั้นนะอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเหตุแห่งการเจริญสตินะแต่ว่าเป็นเหตุให้จิตเราสงบนะจิตเราสงบบางทีเรานั่งปฏิบัตินะเคยเคยนั่งสมาธิมานานนะเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยสงบดีมากนะจิตเกิดเอกคตตาก็คือเกิดไม่เกิดความคิดใดๆเลยนะมีแต่ความสงบเท่านั้นเองนะแล้วเราก็ติดในความสงบเหล่านั้นนะมีความพอใจในความสงบเหล่านั้น เมื่อเกิดความพอใจเราก็ไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับใครนะอยากให้ความสงบเรานั้นอยู่นานๆแต่เมื่อมีสิ่งใดที่มารบกวนให้ความสงบเรานั้นหายไปเราจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมานี่แหละเขาเรียกว่าติดความสงบนะเพราะฉะนั้นเราจะมีความขัดเคืองอยู่บ่อยๆนะในการที่เราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะเพราะมันไปรบกวนความสงบในใจเรานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันในตรงนี้เราก็จะติดนะในความสงบแล้วเราก็จะขัดเคืองอยู่บ่อยๆนะอันนี้นะ่ะวิธีการไปรบัติในจริงๆมีมากมายในะในเมืองไทยนี่มีมากมายนะอันนี้นะ่ะเราจะต้องดูว่าจริตเราเนี่ยไปตรงกับจริตอ่านะหรือว่าตรงกับวิธีการไหนนะันี่เป็นประเด็นสําคัญนะคำว่าจริตที่ตรงกับวิธีการไหนนี้เราจะดูได้อย่างไรนะก็คือดูว่าเามื่อไปบัติไปแล้วเนี่ยเรามีความสบายไหมตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะ ถ้าเราไปบัตรไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้ก็น่าจะพิจารณานะประเด็นต่อมาเมื่อไปบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเป็นปีๆแล้วเนี่ยสังเกตได้ไหมว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยอมันลดลงหรือเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนะถ้าไปบัติมาเป็นปีๆแล้วนะเรายังมีความโกรธเท่าเก่ามีความหมงุดหงิดมีความขัดเคืองเท่าเก่าหรือมากขึ้นนะอันนี้ก็แสดงว่าอาจจะไม่ตรงกับจริตเราแล้วนะ แต่ถ้าไปบัดมาระยะหนึ่งเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าเออความโกรธเราเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะความทุกข์เราเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะไม่ต้องลดหมดหรอกแต่ลดไปบ้างนะก็อาจจะถือว่าตรงกับจริตของเราเนี่ยได้นะตรงนี้จึงว่าเราต้องสังเกตให้ดีนะคราวนี้วิธีการจเจริญสตินี้นะเราไม่ได้แปลวาความสงบในตรงนี้นะแต่กลับมา <c oughs> สามารถสังเกตจิตของเราได้อย่างเป็นอย่างดีนะสามารถสังเกตได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปคอยดูจิตนะแต่เราแค่สังเกตเท่านั้นเองนะ เราจะสังเกตจิตเราได้ไวขึ้นเออขณะนี้มีความายินดียินร้ายเราจะไวขึ้นมากนะจากเมื่อก่อนอย่างที่ว่าเข้าเลข5้าเราจะเริ่มสังเกตเลขหนึ่งได้แล้วนะเออใครก็มาด่ารเราเราสังเกตได้แล้วเออขณะนี้กำลังหงุดหงิดนะอ่ก็คือเราสามารถสังเกตจิตได้นั่นเองนะเมื่อเราสังเกตได้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะไม่อยากจะเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นนะเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรารู้ว่ามันเป็นหนทางงความทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีนะก็เลยหาวิธีการละความโกรธต่างๆมามากมายเพื่อที่จะมาแก้ไขความโกรธของเราเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีนะในที่สุดเมื่อเราครบผลทางนี้แล้วนะว่าเออมันแค่เรารู้ทันรู้เฉยๆมันก็ดับไปมันก็ไม่โกรธต่อจากการที่เรารู้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่กลับไปโกรธอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะตัวเราไปโกรธเขานี่แหละ เราเนี่ยเป็น <S <S เราเนี่แหละทุกข์ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทุกข์หรอกเรารู้ว่าเมื่อเราโกรธเราก็คือเรามีความทุกข์นั่นเองนะเราก็เลยไม่อยากจะโกรธอีกนะเพราะนั้นเมื่อเราแค่สังเกตเห็นปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่เข้าไปในความโกรธแล้วนะเออมันก็กลายว่าเราเนี่ยออกจากความโกรธได้ง่ายขึ้นนะจากเก่าที่เราติดอารมณ์อ่ะต่างๆได้อะแต่เมื่อเราสังเกตปั๊บเนี่ยเราจะออกจากอารมณ์ต่างๆได้เร็วอะเราก็ไม่กลับไปติดอารมณ์เหล่านั้นอีกนะเราจะเห็นว่าเราไม่กลับไปทุกข์อีกครั้งหนึ เพราะฉะนั้นจากการที่เราสามารถสังเกตลมได้เยอะได้บ่อยได้ถี่ขึ้นนี่แหละก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่สามารถที่ออกจากอารมณ์ต่างๆได้เร็วนะการที่ออกจากอารมณ์ต่างๆได้เร็วเนี่ยอันนี้เขาชื่อว่าเราอยู่เหนือลมแล้วนะเราอยู่เหนือความทุกข์นั่นเองนะเพราะลมก็คือความทุกข์เพราะเมื่อเราอยู่เหนือเขาเราก็อยู่เหนือความทุกข์การที่เราอยู่เหนือความทุกข์นี่แหละเป็นหนทางความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะความทุกข์ก็คือ ความทุกข์ใจอย่างที่ว่าแล้วพุทธศาสนานี่ก็เน้นความทุกข์ใจเมื่อเราอยู่เหนือความทุกข์ใจได้แล้วนะเราก็ไม่กลับไปสู่ความทุกข์อีกนะอันนี้ก็คือเราอยู่เหนือทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วหนทางนี้มันไม่ใช่เว้นหนทางที่มันยาวไกลนะไม่ใช่หนทางที่มันไม่สิ้นสุดนะไม่ใช่เป็นหนทา ง, แ ห, งแห่งความที่มันยากลำบากในการบัตนะต้องจิตสงบเป็นหนึ่งนะต้องมีอุปจารสมาธินะ ต้องมีอัปปนาสมาธินะต้องให้ถึงเอก ก, กตาลมนะติ่งตรงสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเราทําในสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไปต่อยอดต่อได้ไหมว่าให้เห็นความเกิดดับของลมได้ไหมนะเพราะถ้าเราไม่เห็นความเกิดดับของลมแล้วก็ยังไม่เข้าสู่วิปัสสนาก็เป็นแค่สมถาะาเท่านั้นเองนะส่วนวิธีการที่เรามาเจริญสตินี้เราจะเห็นสภาวะแห่งความเกิดดับได้ทีและได้บ่อยมากนะ เราจะเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ง่ายและเร็วที่สุดนะบางทีแค่ปฏิบัติแค่ไม่นานแค่สิบนาทีเราจะเห็นความคิดเกิดดับได้นับเป็นสิบครั้งนะเพราะปกตินี้เราก็จะคิดเยอะอยู่แล้วนะคิดบ่อยอยู่แล้วนะคิดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเยอะแยะแต่เราสามารถรู้เท่าทันความคิดเหล่านั้นได้ไหมนะแต่การที่เรามาฝึกเจรตินี้เราจะเห็นว่าเราจะคิดบ่อยขึ้นนะบางทีคิดต้องมากมายนะ การที noticed, good, well, us, ่เราเห็นความคิดที่เราคิดบ่อยนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะไม่ได้เอาความสงบแต่ว่าให้เราเห็นความคิดนะตรงนี้เมื่อเราเห็นความคิดเขาก็จะดับไปได้นะนี่ก็คือเราสามารถเห็นความเกิดและความดับในตรงนี้ได้จะสังเกตความคิดเกิดและดับได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นความคิดได้เราก็เห็นอารมณ์ได้นะเห็นความโลภความโกรธความหลงได้ก็จะเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับได้นะ เห็นความพอใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ก็ดับได้นี่เราก็คือเราเห็นความเกิดและความดับได้บ่อยๆนะเมื่อเราเห็นอารมณ์ต่างๆเขาเกิดดับคือก็มาแล้วก็ไปได้บ่อยๆเนี่ยจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายนะก็เกิดการคลายกำหนัดเมื่อเกิดการคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นได้นะเพราะมันจะเกิดความที่ว่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่เป็นการเป็นสารนะ เข้ามาแล้วก็ก็ไปไปตามเหตุปัจจัยของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะก็จะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะเขาเกิดแล้วเขากระดับเขาเองนะเข้ามาแล้วก็ก็ไปของเขาเองนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะทั้งหมดนี้หลวงพ่เทียนก็เลยบอกว่าอ่าให้เราเป็นผู้เห็นความคิดนะเป็นผู้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดนะแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะอันนี้เป็นวิธีการที่ว่า ท่านให้เราทําำไปง่ายๆเท่านั้นเองนะก็คือเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปในความคิดอยู่แล้วนะและเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยความคิดจะคิดต่อหรือไม่คิดต่อก็ไม่เป็นไรอีกนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดเรายังกลายเป็นผู้ดูเฉยๆจริงๆนะกลายเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยจากการที่เราเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละเราก็จึงไม่ทุกข์ในตรงนั้นนะเหมือนกับเราสามารถที่จะดูละครนะดูลิเกดูงิ้วได้นะ เมื่อเราดูเมื่อเราเห็นเขาแล้วเขาก็ไม่ต้งหยุดเล่นนะเขาก็สามารถเล่นต่อได้เราก็ราะเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยๆนะการไม่ผู้ดูเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่เป็นความทุกข์อีกต่อไปไม่เป็นผู้ทุกข์นะแต่เป็นผู้เห็นความทุกข์นะเหมือนที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเห็นแต่ไม่เป็นนะก็คือเราเห็นแล้วเราก็ไม่เป็นด้วยนะจากการที่เราเห็นแล้วไม่เป็นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้เห็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์นะกลายเป็นผู้เห็นทุกข์ไปแล้วนะก็คือเราเป็นผู้เหนือความทุกข์นั่นเอง อันนี้เป็นวิธีการเป็นบทิที่รัดสั้นนะวิธีการที่เข้าถึงทําได้เร็วเพราะมันเข้าไปสู่จิตใจเราโดยตรงนะมันเข้าไปในใจเราโดยตรงเลยเพราะว่าทุกอยู่ในใจเรานี่แหละตราบใดที่เราไม่สามารถสังเกตความทุกข์ในใจเราของเราได้เราก็จะละความทุกข์ไม่ได้นะเมื่อนคนที่เป็นบ้านี่แหละตาราบใดที่เขาไม่รู้เขาเป็นบ้ า, าเขาก็ยังไม่หายจากเป็นบ้านะเพราะนั้นตราบใดที่เราสังเกตความทุกข์ในใจเราไม่ได้เราก็จะละความทุกข์ไม่ได้เช่นกัน จริงๆแล้วความทุกข์ไม่ต้องไปละเขานะแค่เราสังเกตเข้าก็พอแล้วนะเหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่าอันเรียกสัตว์สก็คือทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละนะเพราะฉะนั้นทุกข์ก็เป็นสิ่งเราต้องสังเกตหรือต้องรู้ก่อนนะเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเราแค่รู้เข้าก่อนแค่สังเกตเข้าก่อนอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอแล้วนะไม่ต้องไปละเขาการละนี่มีหน้าที่รู้เฉยๆก็พอแล้วนะสมุทัยนั่นแหละก็คือการรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้เฉยๆก็คือ าการมาตัญหาน ะ, ะสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือยายังตัญหาโปโนอบใหการนันทิาาาราคะสักตานั่นก็คือตัญหาอันเป็นเหตุให้มีการเกิดใหม่นะได้แก่ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งตอบปนี้คืออ่าสยติทางการมาตัญหาก็คือความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงผลท่าพะธรรมอารมณ์อันนี้ก็คือเรารู้ทันเขาแล้วนะเพราะว่าตัญหาก็คือความอยากได้อย่างไม่อยากเป็นทั้งหลายนะ เช่นอยากจะได้บรรลุอะไรสัอย่างหนึ่งนะเลยอยากจะได้สติสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือเป็นภาวะตัณหานะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทีนก็บอกว่าอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างมีก็คือเราไปบัติได้แต่ไม่ได้ไปบัติเพื่อตัณหาแต่เราไปบัติเพื่อการปล่อยการวางการคลายการรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้บัติเพื่อเป็นตัณหาแต่เป็นการปฏิบัติด้วยฉันทะก็คือพอใจจะบัติเท่านั้นเองนะแล้วต่อไปก็เป็นวิภาวะตัณหาก็คือความผักใส ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายนี่แหละก็คือการที่เราจะไม่อยากโกรธไม่อยากรักไม่อยากชางังอยากจะพักสายล้มต่างๆเหล่านั้นเมื่อขาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากเขาอยู่ในใจเรานานนี่แหละคือวิภาทตัณหาทั้งหมดเลยเพราะโดยสรุปแล้วในตัณหาทั้งหมดก็คือแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกนะอันนี้มันก็จะได้ตัณหาจะได้น้อยลงนะเพราะฉะนั้นการรู้เฉยๆนี่จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าอาจจะทําเราพ้นทุกได้นะเหมือนกับพระพา ย, ยะนั่นแหละพระพา ย, ยะนี่ก็เป็น พ่อค้าทางทะเลนะวันหนึ่งก็สำเพอล่มก็ว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยหมดเลยก็ขึ้นฝั่งอ่านี้ก็หาใบไม้มาลุ่มก็เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็บอกว่าเป็นพระรหัน์แล้วมั่งไม่เอาอะไรเลยนะแต่พระพายะก็รู้ว่าท่านยังไม่เป็นหลอกแต่ก็รับผมอากไปเช่นนั้นเองนะคราวนี้ก็มีวันหนึ่งก็มีผู้บอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเนีเกิดขึ้นในโลกแล้วพระพายะได้ยินเช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อไปฟังวิจาแล้วขณะนั้นท่านบินบาดอยู่กลางนนก็ไปขอฟังธรรมต้องขอถึง3ครั้งวิจารณกระแสธรรมนั้นท่านได้ฟังว่านะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกขั้งสองนี่แหละคือความถึงที่สุดแห่งทุกขละนะเมื่อพระพายาได้ฟังงนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะและได้เป็นเอกทักษะในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดนะเพราะงั้นการที่เราสักแต่ว่าเห็น อ่าสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารู้สัตวาทราบอันนั้นก็คือรู้เฉยเฉนั่นเองเนาะรู้เฉยเฉยนะถ้าเรารู้เฉยเฉยแล้วทุกอย่างเมื่อจะจบไปในการรู้เหล่านั้นนะเพราะการรู้เฉยเฉยนี่มันเป็นอานิสงส์นะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะแล้วมันก็เป็นวิปัสสนาที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะการรู้เฉยเฉยนี่คือไรนะธรรมะที่แท้จริงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อ่าธรรมะจริงธรรมะที่แท้จริงก็คือเป็นสิ่งที่เขาเป็นเขาอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาอยากเขาเป็น ถ้าเราอยากให้เขาเป็นตามเราต้องการนันนั่นก็คือสมถะนะแต่การที่เรารู้ไปตามที่เขาเป็นนั่นแหละก็คือเป็นมีปัสนาก็คือรู้ความจริงนั่นเองนะรู้ความจริงไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปตามความเป็นจริงเขาแล้ไม่มีไม่มีหน้าที่ไปบังคับให้เขาหยุดไปให้เขาดับไปให้เขาเป็นไปตามเราต้องการหรือบังคับเขาจิตเขาสงบให้เกิดต่างๆตามเราต้องการนั้นนั่นคือสมถะหรือการแทรกแซงสภาวธรรมทั้งหมดเลย เพราะนั่นนี่ก็คือไม่รู้เฉยๆนะการรู้เฉยก็คือปล่อยเท่าเกิดขึ้นก่อนตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วเราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงก็พอแล้วก็แค่รู้เฉยมันก็จบแล้วนะในตรงนี้นะข้อนตรงนี้ก็คือสรุปว่าผลทางในพุทธศาสนาก็มีเป็นหลักใหญ่สองอย่างก็คือสาเหตุของความเกิดทุกข์นะก็โดยสรุปก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือราค้าโทสะโมหะนั่นเองต่อมาก็คือความดับทุกข์นะการดับทุกข์ก็คือเรารู้เท่าทัน อารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วก็คือรู้เฉยๆเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วนะไม่ต้องมีอะไรเยอะเนี่ยคือหนทางง่ายๆสั้นๆเท่านั้นเองนะที่เราจะได้หนทางนี้ไปเข้าใจไปปฏิบัติกันนะมันจะเห็นว่ามันไม่ยาวนะมันสั้นๆนะเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยนะไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้าเข้าวัดเพื่อหาความสงบทางใจนะแต่เราอยู่กับการงานนี่แหละใช่ไหมงานยุ่งเหยิงขนาดไหนก็รู้เท่าทันไป ขณะนี้กําลังบนญินนะกําลังรักรังชงังกําลังไม่พอใจก็รู้ไปตามความเป็นจริงแล้วก็รู้เฉยๆได้นะนี่แหละเราสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆรนะเมื่อเราใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆงแล้วนะเราจะเห็นว่าเออการพ้นทุกนี่มันไม่ไมยากนะไม่ต้องเสียเวลาไปป่าไปเขาไปวัดนะเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะแล้ว เ, เราก็พ้นทุกได้เร็วด้วยนะเพราะยิ่งเราเจอของจริงอันนี้ก็เรียกว่าเราต่อสู้เราได้ชค ก, กับนักมวยที่แท้จริงนะ นักโมยนี่แหละเขาชกเรากลับนะเราหลบได้ไหมเราทนได้ไหมนี่แหละจึงเป็นของจริงน ะ, ะเมื่อเราทนได้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นการปล่อยวางก็เร็วขึ้ น, นกินเลสเราก็ลดลงและนี่แหละคือขนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้นในชาตินี้นะในสุดท้ายนี้ขอข อ, ขอรัตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอทุกท่านจเจริญในธรรมจเจริญในสีนสติสมาธิปัญญามาถึงซึ่งความพ้ทุกได้โดยเร็วพนันธุท่านเทอญ